Time, hunting, คนดูดูดูดูรัสละทิ้งอยู so ่ pitched. ัศลนดิ้งตัวเข้าไปดูความคิดที่เป็นอกูศลทั้งหลายเรียกว่าปัญญาใช่ไหมเมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ว่าจะเอาพระไปคืนให้คุงใส่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยใช่ไหมตอนเช้านี้เห็นนั่งง่วงนะใช่ว่านอนไม่หลับขาดพระโอ้ไม่ได้พระปัญญาณนอนหลับไม่ได้นหลวงพ่อจะทดลองว่าคุณขาดได้ไหมวันหนึ่งคุณขาดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนตอนที่ท่านไปไอ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 สมาธิแล้วทําให้ปลุกเสกพระให้คลางศักดิ์สิทธิ์แต่คุณต้อมนั่งหลับตาใช่ไหมใช่แน่เลยไในลองทําให้หลวงพ่อดูหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะทําเนี่ยเอาสร้อยเอาอองเอ า, เอ า, เอาพระเครื่องเอาแหวนอะไรที่ใส่ไปนะออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะว่าสุดพิสูจน์ไม่ได้แกก็เลาะ อ, ออกมาหมดนะสร้อยนาฬิกาพระเครื่องออมากรอข้างหน้าเอา้าคุณนั่งทำไงนั่งขัสมัดหลับตา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 บอกว่าไม่ได้เอามาที่ก็ผีดศีลแน่นอะเออย่าเงี้ยทำไมเขาถึงผิก็เอามาใส่ไว้ถ้าใครมีสองเครื่องก็มาสองเครื่องนะแต่ถ้าเอามาเครื่องนึงขยักไว้เครื่องถ้าหลวงพ่อไปเจือหลวงพ่อยึดเครื่องที่สองเลยนะจะไปเกิดหลวงพ่อไม่ได้นะเราเราต้องตั้งสัญญากันย่อนนะเพราะว่าเพราะเร็วเพราะป้องกันป้องกันมารจะมารบกวนมารมันมีสื่อมาทางไหนก็จะมาทางนั้นแหละนะพอสักพักหนึ่งก็เอา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 นะพอเราตั้งใจดังนั้นอธิษฐานนะวันนี้หลังจากที่ทานข้าเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้หลวพ่อก็ทําบัญชีไว้สมมุติว่าเราห้าสิบหกสิบคนก็คนนี้ส่งแล้วนะคนนี้ไม่ได้สง่งหลวงพ่ก็จะอ่านให้ฟังนะคนไหนยังไม่ได้สง่งก็อ่าเข้ามาสง่งทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มารมารบกวนนะถ้าถ้ามาวันไม่ทําลวงพ่ก็เคย่อที่ให้จัก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 มันมาเป็นเรื่องไปเล่าให้เราคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดทีไม่ดีอ่ะคิดที่เป็นอกุศลนะเรียกว่ากิเลสมานคิดในฝ่ายที่เป็นอกุศลอะไรในอดีตที่เราทํามาเนี่ยมันเอามาคิดนี้คือเรียกว่ากิเลสมานมานตัวที่สองมานตัวที่สามเราเทวปุตตมารอันนี้เรื่องคิดดีไม่คกี้มันคิดไม่ดีใช่ไหมเรียกกิเลสมานคิดในทางดีก็เป็นมานเหมือนกัน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 จะมาใช้น้ําคือปัญญาเหมือนน้าดับความร้อนด้วยความบทุนมันร้อนนะความร้อนก็ใช้ปัญญาเข้ามาดับก็คือแก้ไขพยยิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเชิญพระจนมาณนะถ้าหากว่าคุณไหนะจนไม่ผ่านมันพก็พจะช่วยด้วยวิธีการต่างๆถ้านหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อไม่เห็นก็ตัวใครตัวมันก็เลิกกันมานอุ้มไปเลยกลับบ้านนะะมันพาไปเลยก็มนันอันแรกก็เอามา